ินวันนี้จะพูดเรื่องของชีวิตอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องกินซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตหรือเป็นความต้องการของชีวิตแต่ที่ว่ากินกินในที่นี้ต้องเข้าใจว่ากินจริงๆคือบรรจุเอาอาหารเข้าไปในปากแล้วกลืนลงไปในท้องจริงๆไม่ใช่กินอย่างที่คนชอบพูดกันในสมัยนี้ซึ่งหมายถึงการกินสินบน หรือการช่อลาดบังหลวงกินเสศษกินเลยกินอย่างนั้นไม่ใช่ความต้องการของชีวิตแต่เป็นความต้องการของกิเลสข้าพเจ้าไม่พูดที่จะพูดนี้พูดเรื่องกินข้าวกินน้ำธรรมดานี้เองร่างกายของคนเราผสมขึ้นด้วยธาตุซึ่งเป็นเนื้อสดสดหนังสดสดไม่เหมือนสิ่งของอย่างอื่นที่สร้างด้วยธาตุที่เป็นของแห้ง โต๊ะเก้าอี้ทำแล้วก็แล้วกันร่างกายจึงเป็นของที่ต้องการซ่อมต้องการสร้างกันไม่รู้จักเสร็จตั้งแต่เกิดจนตายพระท่านพูดถึงหลักบริหารร่างกายว่าอกขรันตังปักขรรตังต้องมีอะไรไหลเข้าออกอยู่เสมอจึงจะไม่ตายหายใจเข้าแล้วต้องหายใจออกรับประทานอาหารเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นอุจจาระ ดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นปัสสาวะเป็นเหงื่อใครมีเข้ามีออกอยู่อย่างนี้ตัวเราจึงไม่ตายถ้ามีแต่เข้าอย่างเดียวไม่มีออกก็ตายหรือมีแต่ออกแล้วไม่มีเข้าก็ตายเหมือนกันทดลองดูแค่ลมหายใจก็ได้ลองหายใจเข้าอย่างเดียวอย่าหายใจออกเลยสักสิบนาทีก็รู้เรื่องเรื่องการกินอาหารเข้าไปทางปาก ก็เหมือนกับเรื่องลมหายใจคือกินเข้าไปแล้วก็ต้องถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นการกินจึงเป็นงานอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรากินกันไม่รู้จักเสร็จจากสิ้นกินกันไปหยกหยกเมื่อกลางวันนี้เองตกเย็นก็เริ่มหิวจะกินอีกแล้วนี่ก็กินไปแล้วพอนอนตื่นขึ้นพรุ่งนี้ก็ต้องกินกันอีกเพราะหิวความหิว เป็นโรคอย่างยิ่งความหิวทางพระท่านสอนว่าเป็นยอดของโรคชีคัชชาปรมาโรคาซึ่งแปลตรงตัวว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งหมายความว่ายิ่งกว่าโรคอื่นๆยิ่งอย่างไรยิ่งอย่างนี้คือโรคอื่นๆเช่นปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ ตลอดจนโรคตับโรคปอดและโรคอื่นๆหมดนานๆเราจะเป็นสักครั้งหนึ่งบางทีหลายๆปีจึงจะเป็นไข้สักครั้งสองครั้งบางทีหลายๆปีจึงจะเป็นสักทีหนึ่งแต่โรคหิวนี้เป็นอยู่ทุกวันมันกำเริบวันละสองครั้งสามครั้งปีหนึ่งมี365วันโรคหิวเรากำเริบถึง1นึครั้ง ถ้าคนอายุ60ปีโรคหิวของเราก็จะกำเริบถึง 65,700 ครั้งนี่ก็เรียกว่ามันยิ่งกว่าโรคทั้งหลายทั้งปวงในทางกำเริบบ่อยถ้าคิดดูให้ดีแล้วคนในโลกนี้เป็นคนป่วยทั้งสิน้นป่วยเป็นโรคหิวประการที่2โรคอื่นๆเมื่อเป็นมาแล้วเราหาอยู่หายยารักษาหายแล้ว หายขาดหรือนานๆนจึงจะกลับเป็นอีกและโรคบางอย่างแม้ไม่รักษาก็หายได้เองหรือบางทีก็ขอผ่อนผันได้บ้างเช่นตอนกลางเดือนนี้ป่วยไม่มีเงินจะรักษาผัดไปรักษาเอาต้นเดือนหน้าให้เงินเดือนออกเสียก่อนก็ยังได้แต่โรคหิวนี้ร้ายกาดนักรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายขาดหายแล้วเป็นอีก และเมื่อเป็นโรคหิวแล้วจำเป็นที่จะต้องรักษาในวันนั้นถ้าคืนไม่รักษาหรือผัดไปต้นเดือนหน้าอย่างว่าต้องตายในแ น, แน่เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลรักษาโรคอย่างอื่นจึงมีไว้ในเมืองและแห่งสองแห่งก็พอแต่โรงพยาบาลรักษาโรคหิวต้องมีไว้ทุกครัวเรือนเพราะคนทุกคนที่ประกอบขึ้นเป็นครอบครัวนั้นเป็นคนป่วยโรคหิวทั้งนั้น มีเมียก็หิวมีผัวก็หิวมีลูกอีกกี่คนกี่คนก็หิวทั้งนั้นสุภาพสตรีทุกคนพอโตเป็นสาวเป็นนางก็ต้องฝึกเป็นหมอพยาบาลโรคหิวให้ได้ที่พูดมานี้ชี้ให้เห็นว่าการกินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์เพราะเป็นการบำบัดความหิวซึ่งเป็นโรคประจำตัวดังกล่าวแล้วทุกเพราะปากลาบากพระใจ ในเรื่องการปกครองตนข้าพเจ้าเคยบรรยายมาแล้วว่าในส่วนร่างกายของเรานี้ที่ปกครองลำบากที่สุดไม่มีอะไรเกินปากปากของเรานี้ยุ่งยากมากมันก็ไม่ใหญ่โตเหมือนปากห้วยปากเหวปากคนเรานี่แหละคลั่มดูสิแต่มันยุ่งยากกลบไม่รู้จักเต็มถ้าเป็นปากธรรมดาสามันก็ค่อยยังชั่วหน่อย กินแต่ข้าวแต่น้ำธรรมดาแต่ถ้าเป็นปากพิเศษปากสามัญยุ่งมากต้องมีเหล้ามียากำกับอีกหลายอย่างข้าพเจ้าคิดว่าปากทั้งปากเดิมของเราจริงๆที่จะรับมาจากคุณพ่อคุณแม่ผู้บังเกิดกล้าวดีกว่าปากเดี๋ยวนี้เลี้ยงง่ายกว่าพอมีมือสองข้างจะหามาเลี้ยงได้อย่างสบาย แต่เรามาเผลอกันเสียตอนโตเป็นหนุ่มลืมตัวไปถนัดไม่ได้สร้างวัดไว้ที่ปากผีเลยมาสิงพอเป็นปากผีสิงแล้วยุ่งยากเมื่อก่อนเคยกินข้าวกับน้ําก็กินได้กินมาตั้งแต่เล็กจนโตแต่พอผีมันสิงแล้วนี่สิหมูเห็ดเป็ดไกล่ลูกเมียจัดใส่สําหรับไว้บริบูรณ์แล้วปากมันไม่ยอมกินไม่ยอมเจริญอาหาร ต้องเส้นสวงกันด้วยเหล้าด้วยของเหมือนเมากงสองกงจึงจชั้นที่สุดเพียงแต่จะคุยกันกับเพื่อนให้สนุกสักหน่อยปากมันก็ไม่ยอมต้องเอาของเหมือนเมาเส้นสวงกันอีกหนักเข้าจะทำอะไรก็ต้องใช้เหล้าเป็นใบเบิกทางคนที่ชอบดื่มเหล้าบางทีเลยพลอยหัดให้ผีสางเทวดากินเหล้าไปด้วยจะทำอะไรทีต้องเอาเหล้าบวงสวง คือนึกเอาว่าพวกผีพวกเทวดาก็คงคอเดียวกันกันกบตัวเองเลยทําให้ผีสางพลอยเสียนิสัยไปด้วยก็มากนี่ถ้าตกมาถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นาธาตุของปากแล้วลงได้ปากเป็นนายอย่างนี้ลำบากตั้งตัวได้ยากทำงานเกือบตายแทนที่จะได้เงินได้ทองมาตั้งหลักฐานทางครอบครัวแต่ต้องทุ่มเทไปเส้นกับผีปากเสียหมดสิน้น บางคนปล่อยให้ลูกเมียกระจองงองแงไม่มีข้าวจะหุงกินน่าสมเพชหนักเข้าลูกรักเมียขวัญเป็นเพื่อนคู่ยากกันมาเกือบครึ่งคร่อนชีวิตก็ถูกทอดทิ้งไปรักเหล้ามากกว่าเมียก็มีมากเหล้าขวดละ 20-30 บถึงาบาทซื้อกินได้ไม่ขาดวันแต่พอเมียเจ็บป่วยจะซื้อยาขวดละหสลึงสาบาทก็ยากแสนยาก เขียวเขียนให้เมียไปขอยาฟรีที่โรงพยาบาลขอไม่ได้ก็พานติเตียนว่ารัฐบาลไม่ดีไปกันใหญ่ลูกตาแฉะจะซื้อยาหย่อดาขวดละสิบสลึงลืมอยู่ได้ทุกวันแต่เล่าสิไม่เคยลืมเลยขั้นนี้เป็นขั้นลำบากผีปากมันแรงจะทำให้ลืมลูกเมียไปเสียแล้วเข้าตำราโบราณที่ว่าทุกพระปากลาบากพระใจ เรื่องนี้อย่าสักแต่ว่าฟังกันสนุกสนุกขอให้ทุกคนจงตรวจดูตัวเองและพร้อมที่จะเปลีกตัวออกห่างจากสภาพอย่างว่านี้อย่าปล่อยให้ผีมันสิงปากเราคนทุกคนสามารถที่จะติดเหล้าได้ทั้งนั้นและทุกคนก็เว้นจากการดื่มเหล้าได้ปากของเรามีไว้สำหรับกินอาหารแต่กินจนเป็นทาตของปากอย่างนี้เรียกว่ากินผิดการกินที่ผิดยังมีอยู่อีกมาก เป็นต้นว่ากินไม่รู้จักประมาณกินของบุตรเน่าแย่งเขากินลักเขากินโกงเขากินกินไม่มีกิริยามารยาทเรื่องกินยังมีอีกมากนึกไว้เสมอว่าการกินนั้นกินได้ทุกคนแต่ไม่ใช่กินเป็นทุกคนได้ดีเพราะกินก็มีเสียคนเพราะกินก็มากขึ้นสวรรค์ลงนรกเพราะเรื่องกินก็มีแยะ เป็นเรื่องที่จะต้องสนใจอีกมากเวลาไม่พอวันนี้จึงขอยุติเพียงเท่านี้ก่อนจะอย่างไรก็ตามการกินเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งสำหรับชีวิตทั้งคนพานทั้งบัณฑิตยอมรับทั่วกันแต่ทัศนะของคนทั้งสองไม่เหมือนกันคนพานเห็นว่าการกินเป็นเรื่องสำคัญจึงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการกินแม้ว่าจะต้องทาในทางชั่วก็นึกให้อภัยแก่ตัวเอง จึงปรากฏว่าบางคนกินจนเสียตัวคือกินจุกกินจิกกินของเน่าของเสียกินจนเกินประมาณบางคนกินจนเสียชื่อคือกินมูมามกินไม่มีมารยาทแย่งเขากินซ่อนเขากินและกินจนเสียคนคือลักเขากินขโมยเขากินโกงเขากินปล้นเขากินส่วนบัณฑิต เพราะเห็นว่าการกินเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันจึงพยายามระมัดระวังไม่ให้พลาดพลัง้งต้องเสียตัวเสียชื่อและเสียคนเพราะการกินดังกล่าวเพราะฉะนั้นใครจะกินอะไรก็เชิญเถอะถ้าหากกินแล้วจะไม่เสียตัวไม่เสียชื่อไม่เสียคนก็เชิญลงมือกินได้